เขาไม่ายละเอียดในเส้นทางนี้ต่อไปเราจะศึกษาให้ละเอียดไหมแล้วก็ทําเป็นไปตามลําดับจากแม่ร้อนลวนก่อนที่ยังไม่รู้ข้อมูลอยู่ไหมมีพ่อแม่บอกว่าลูกไปซื้อของใช่ไหมบอกสองสามอย่างเราไม่ทันฟังข้อมูลดีๆควางเงินวิ่งไปตลาดเลยไปไปนั่งงงอยู่ไหมงงเนีเมื่อกี้อะไรอย่างนีฟังไม่รู้ต้องกลับมาใหม่ไหมเสียเวลาไหม เราวิ่งกี่รอบแล้วในสังสารวัฏมีวิ่งกี่รอบแล้วอยากพ้นทุกโดยโดยไม่มีอูบายที่ชอบถ้าสำนวนจริงๆเขาใช้คำว่าเขาบอกอยากพิสูจน์ดูลูกโดยอุบายที่ไม่ฉลาดมีหญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์อยากจะทราบว่าลูกในท้องเป็นหญิงหรือเป็นชายใช่ไหมก็เอามีดมาผ่าท้องฉลาดเนีหย ไม่เลาดนี่ก็เหมือนกันเนาะอยากจะพ้นทุกข์แต่รีบแบบประเภทที่ไม่มีข้อมูลและไปไงดนเดี๋ยวนี้และเป็นไงดีดนเดี๋ยวก็มานั่งทรมานกันอยู่เนี่ยใช่ไหมถ้าอย่างงั้นเราจะไม่มานั่งทรมานแบบนี้เลยใช่ไหมทั้งผู้ผู้ทั้งผู้กลางเพราะแต่ก่อนประเภทไกร้อนคิดว่าอะไรคิดว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วของแท้แล้ว ไปแค่ยังเี่นี้ฉะนั้นความประมาทนี่แหละความประมาทในกามคุณทั้งหลายการปล่อยจิตเนาะการปล่อยจิตไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการปล่อยจิตไปในกายโยตุเจริญวัตีทุจริญมโนทุจิตการเพิ่มพูนจิตให้เพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโลิตภะและในธรรมะลมการเพิ่มพูนจิตให้เพื่อพูนในวัตถุการมทั้งหลายยังเพื่อพูนในบุตร เพื่อเพลินในบุตรเพื่อเพลินในภรรยาในสามีในทรัพย์ในญาติมิตรทั้งหลายเนี่ยเชื่อเพื่อเพลินการไม่ทําความเคารพในการบําเพ็ญกุศลและททั้งหลายการไม่เพียนไม่ทําความเพียนในการเจริญกุศลให้ติดต่อเนาะการทําอันไม่ยั่งยืนความประพฤติยอดหย่อนการทอดฉันทักษันทิฏฐิบาทไม่มีฉันท่าก็อบอกวุ้ยตื่นตีห้า ไม่ไหวประเตือนตีสี่ครึ่งเลยจริงอันเนี้ยบางคนคกวจะมาหกโมงเลยเนะี่ยมีไหมอันนี้ทอดฉันทะไหมทอดฉันทะในการเจริญกุศลบางคนบอกไม่ถึงไม่มาที่ตรงนี้กุศลก็เกิดตลอดเล ย, ยงี้หรือเปล่ากุศลก็เกิดประเด็นอยู่ว่าอย่าทอดฉันทะทอดธุระการไม่ครอบหาไม่ครอบหาใครเฮ้ไม่ครอบหาการไม่อบรม ไม่อบรมเลยไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาอ่ะไม่อบรมกายคืออะไรคืออะไรพูดหลายครั้งเลยเนี่ยอะไรคือไม่อบรมกายอ่ะที่นั่งอยู่นี้อบรมกายไหมกะห่มผ้าอุ่นขนาดนี้ยังไม่อบรมกายไม่อบรมกายคือคืออะไรไม่มีจารีศีล จริ้นศีลคืออะไรกันไม่รู้จีเอาคืออะไรเอาใจลิ้นศีลใช้ต่อบหน่อยถ้าเป็นาาาคารวะก็ปฏิบัติในทิฏหกให้ถูกไงปฏิบัติโดยกุศลหรืออกุศลโดยกุศลเนี่ยเจหน้าลูกก็ปฏิบัติต่อลูกให้เป็นใช่ไหมก็บอกไปแล้วเนี่ยไม่อบรมกายถ้าไม่อบรมศีลคืออะไรไม่อบรมไหน ทำท่านลืมกันเร็วเรือเกินนี่นะวาฤตศีลคืออะไรคืออะไรนี่เวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยเวลาศึกษาพระธรรมเนี่ยท่านไม่ท่านการจําคําสอนเนี่ยท่านไม่ท่านไม่สอนการปล่อยวางนะอะไรผ่านมาก็ปล่อยวางปล่อยวางเพราะเพราะมันไม่ใช่ของเรานี้ได้ไหม เราต้องได้แนวเหงิกะให้ตัวชี้แนวแน่ต้องจำใช่ไ้มต้องจำเราบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าโยมเป็นคนไม่ค่อยยึดมั่นเลยดิ๋นทานก็ไม่ยึดมั่นศีลก็ไม่ยึดมั่นภาวนาก็ไม่ยึดมั่นของอะไรไม่เที่ยงหมดว่ะมันจะเกิดปล่อยมันเกิดมันจะดอกก็จะหงัวมันเพราะไม่ยึดมั่นหรือไม่อันนี้ใช่ปฏิบัติธรรมไหมอันนี้ก็ปล่อยป่าล่าเลยประมาทเล่นเลเนะ่ อันนี้เป็นธรรมะที่ไม่ควรจเจริญแป่ ว, ว่าเข้าใจผิดไหมเข้าใจผิดแล้วตอนนี้ต้องอบรมกายเข้าใจยังเข้าใจแล้วเนี่ย อ, อยู่ด้วยการนี้ต้องอบรมกายไหมก็ปฏิบัติต่อคันด้วยจิตที่เป็นกุศลดูแลซึ่งการแลกการปรับกอดเช็ดถูนี่เป็นเรื่องการอบรมกายหมดเลยเนะยแต่ใจต้องเป็นไปกับกุศลเนะยไม่ใช่ไหมมีใช้แต่เรา อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามหลบซ้ายหลบขวาชี้เราทุกทีนี่นี่แล้วก็ยังบอกว่าเออใครทํามากได้บุญหลอกเราอยู่แน่นเลยนี่มีบอกเมื่อกี้ก็เที่ยวบอกว่าใครจะเอาบุญนะจะเอาบุญนะอะไรจะมาเราไปคิดอย่างนี้ได้บุญไหมแท้ที่จริงเนี่ยเขาบอกเขาให้โอกาสทีเจริญกุศลเป็นบุญญาลาภต้องเร่งความคนขวายไหมกลับไปบอกลูกใหม่บอกลูก คนไหนที่แม่ใช้เนะี่ยแปลว่าแม่ให้โอกาสเจริญบุญทําไมคิดน้อยจังทําไมคิดสั้นจังทําไมคิดแคบจังหากคิดกว้างๆมองไกลๆไปสูงก็วห้อะไรอย่างนใช่ไหมเพราะว่าแม่ให้โอกาสเธอเจริญบุญแม่ถึงใช้แล้วเขาย้อนกลับั้นเดีย๋ยวหนูขอใช้แม่หนะ่อยเย เขาจะว่าไงเ้เนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยเอ้เอยผิดหัวผิดฝาแล้วเ้วก็บอกเขายิาตอนนี้มันมันอย่าเพิ่งกลับฐานะนที่เอาไว้ชาติต่อไปเดี๋ยวแม่จะเกิดเป็นลูกของเองเอาไหมเราบอกก็คุยกับเขาดีๆนี้ได้ไหมเดี๋คุยกับเขาดีๆไม่ใช่ว่าพอเขาพูดปุ๊บมาก็โกรธ ทาถ้า แ, แต่หลน่นออกนอกเบาะลาบากเลยเนะนี่ยตรงนี้บางทีถ้าเราชี้ให้เขาได้โอกาสในการเจริญกุศลเนะียเขาจะเข้าใจเนะี่ยเขาจะเข้าใจบางทีเราเราไม่ค่อยบอกเขาเนะี่ยบางทีใช่ความโกรธเลยใชไหมพอเขาต้องการเหตุผลหน่อยเขาโอ้โหชักขุนเคืองในใจแล้วนี่นี่เรื่องมากเลยนี่ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วชักแล้วนี่ก็ลาคาญเข้าเลยนะบางทีเขายังไม่ได้เหตุผลนะ เราพยายามให้เหิุผลแล้วแต่เขายังไม่รับทํำยังไงก็หาโอกาสไนงะหาโอกาสอะไรก็รับให้การไม่ทําให้มากการไม่ตั้งใจมั่นการไม่ขวนขวายการความมัวเมาความเลเร่ความเามผลอเรอเห็นป่านนี้เรียกว่าประมาท้านะความไม่ประมาทก็คืออะไรความไปประมาทโดยอา จ, จได้แก่การอยู่แบบไม่ปราศจากสติ คำว่าไม่ประมาทนี่เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งไว้เป็นนิพต้องไปตั้งไหมสติต้องไปตั้งไว้เป็นนิพเลยก็คือว่าถ้าสติไปตั้งไว้ที่ในรูปขันเวทนาขันสัญญาสงสารวิญญาณ น, นี้ก็ชื่อว่าิสตินีะพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกว่าการพิกูจนเจริญแล้วทําให้มากแล้วถามว่าความไม่ประมาทพึงเจริญอย่างไรตอบบอกว่าอย่างไง การทำบุญกุศลทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าความไม่ประมาทการเจริญในศีลการเจริญในสมาธิการเจริญในปัญญาที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะอันนี้เป็นความไม่ประมาทไหมตอนนี้เราต้องการบาเพ็ญทานศีลภาวนาหรือเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อวัตตหรือเพื่อวิวัตต เออถ้าหากว่าตั้งอัธยาศัยไว้เพื่อวัตตะเป็นความประมาทหรือไม่ประมาทเป็นความประมาททีนี้เราก็เริ่มตั้งอัธยาศัยถูกแล้วเขาเริ่มเบื้องต้นตั้งหลักให้ถูกเนาะ ต, ตั้งหลักให้ถูกนี่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะเพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวไม่ใช่ปรารถนาวัตตะเพราะวัตตะเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไหม ไม่พึงปราถนาใช่ไ้ยฉะนั้นการตั้งอัตย า, ายัยในชื่อว่าเราได้ทำกระแสจิตของเราให้เป็นไปกับความไม่ประมาทแล้วบางคนนี่ปริมาณของความคิดพ้นทุกข์ไม่พอเนะเคยเห็นไหอยากพ้นทุกข์เป็นพักๆักน่ะไปเจ็ดวันสิบวันกลับมาอ้วสบายใจเลยไม่ใช่ อ๋อคืออย่างนี้เนะี่ยในกลุ่มที่เขาตั้งอัธยาศัยเนะี่ยปรารถนาไปพบภระสียังไม่ไดนนะถามว่าเรอาอดูพระเถระเออไม่มีเวลาเนะี่ยพี่อย่างนี้สรุปประเด็นเลยดีกว่าที่จริงการตั้งในละเลยอย่างนี้เขาเขาตั้งเพื่อต้องการพ้นทุกข์เนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไปเพื่อวัตตานัออ่ประเด็นที่ไปตั้งเนี่ย เออเอามาก็ได้ยินยอมแม่เอามาพอพูดถึงตรงนีเน้เธอก็ศึกษาจากปูาา่ย่าตายายมานะเธอก็จะมีคำอธิษฐานบอกว่าข้าวของเกตัให้บุตรเออน่ะเออบอกว่าข้าวขาข้าวของข้าพเจ้า ถขาดังดอกบัวยกขึ้นเหลือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพันิพาลขอให้พบเมืองแก้วขอให้แ้วบ่วงมารขอให้พบพระศรีอารณีนาก็แตการเมืองหน้าโดนเด็อมาก็ต้งองยอมแม่นี่แปลกดี <c oughs> แต่ก่อนเราก็ไม่รู้นะไปวัดที่ไรเธอก็พาอธิษฐานแล้วก็พาให้ออมาอธิษฐานถึงเด็ก อ, อกมาก็ว่ า, าตามวะแล้วอีกอย่างก็คิดว่า แค่อย่างที่ฐานบอกว่าขอให้พบเท้าโกสีเด้นเนี่ยใช่ไหมก็เธอก็ไม่รู้เนี่ยโยมแม่ก็ท่านก็ไม่ทราบท่านก็ไม่ทราบว่าเท้าโกสีเป็นใครแต่ท่นมีคาอธิษฐานมาลืมไปแล้วว่าวเป็นกรอคอปป๊ อ, ป อ, ปอไปเลยอากแกบอกว่านอนก็จะฝันเห็นเท้าโกสีอยู่เลยงามจริงๆเพราว่าถ้ย า, ายาใสก็ไม่ชอบจิงเลย ชอบอยากจะไปเกลีเป ja <tro> ็นเท้าโกสีสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ใครแน่เท้าโกสีเนี่ยก็บอกก็ปู่ย่าตายายบอกไว้แล้วเอฟเคยฝันเห็นเนี่ยหรือว่าติดกิจเคยฝันเห็นก็บอกใจก็น้อนอยากจะไปอยู่กันทั้งใจเป็นวอยหวานเท้าสะการนี่นึงก็ความคิดของของเด็างนี้ก็ไม่รู้ เป็นยีเก่าอยู่บางท่าไม่ได้ย้อนถามแต่ว่ายังไงก็พยายามบอกถามว่าการอธิษฐานเพื่อไปพบเท้าเอไปพบไปพระเียอายะเมตัยบางท่านเขาเขาต้องการอย่างนี้นะอย่างพระเทเรสบางรูปเนี่ยท่านต้องการท่านปรารถนาเป็นพระผู้ได้เจ้าเพราะท่านชํานาญในคําสอนมากเขียนไว้ในคำพีเลยนะระดับในชั้นของท่านในชีรารังการักแล้วท่านดีการเป็นต้นอย่างนี้ ท่านปรารถนาเลยนะว่าท่านจะทําบุญใหญ่ปรารถนาไปแต่อหน้าประพักพระเสด็จยังไม่ตายและได้รับพยากรเลยท่านต้องการอยากได้รับพยากรเล ย, ยนี้ก็มีอย่างนี้นอันนั้นแปลว่าไม่ได้ปรารถนาวัตเนะแต่ต้องการขน้นสัตว์ด้วยหรือถ้าปรารถนาเพื่อไปพบตรงนั้นก็ยิงอยู่เพราะว่าไม่มั่นใจว่าในปัจจุบันนี้ตนเองจะจะหลุดได้หรือเปล่าแต่ต้องการไปพ้นทุกขนะ์นะั้นะต่อนหน้าประพักก็ไม่ใช่วตัตะแต่ถ้าอธิษฐานเลื่อนลอย ไม่รู้ไม่รู้เหตุผลต่างๆเหล่านี้เนยะ น, นั้นโดยมากก็เป็นไปเพื่อวิตัติฉะนั้นต้องระวังฉะนั้นต้องชัดเจนข้อมูลไหมต้องชัดเจนแล้วต้องเข้าใจคํำสอนฉะนั้นการเจริญสีสมาที่ปัญญาที่เป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตะอันนี้เป็นเป็นไปเพื่อนิพพานถือว่าเป็นความไม่ประมาทถ้านอกนั้นถือเป็นการประมาท ก, การถึงสถานะการสํารวมกายวาจาใจ และเหตุแห่งเหตุนั้นในการเจริญกุศลเนี่ยการเจริญธรรมที่ไม่มีโทษก็พึงเศ้าเป็นความไม่ประมาทคําว่าอภิมาโดเนี่ยพระปรมาสาวาดาแ ส, สดงถึงประโยชน์ใหญ่การยึดถือประโยชน์มากดํำรงอยู่ทีนี้พระไตรปิฎกเขาก็าาไม่ประมาทเนี่ยเป็นการรวมพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยพระวินัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิธรรมิปิฎกทั้งสิ้นอัด ทะหรือบทคือความไม่ประมาทบอกว่าเพราะความไม่ประมาทเป็นธรรมข้อใหญ่เป็นธรรมที่พระบรมศาสดาเมื่อใกล้จกเสด็จดับขันธปรินิาพานตรัสคํานี้ก็คือพระศาสดาสแสดงธรรมอยู่45พรรษาตั้งแต่ตรัสรู้จนปรินิาพานเนี่ก็ประทานโอวาทครั้งสุดท้ายบอกว่า ดูก่อนพิกตทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมพิกตัทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิอด ก, กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งหมดเพราะเป็นลารอยเท้าที่ใหญ่เมือฉันใดพิกตัทั้งหลายทำธรรมะ อันเป็นกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลแล้วก็รวมลงในไหนรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเรากล่าวว่าเลื่อยกว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี่แสดงเห็นชัดว่าความไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของสติอย่างนี้การอยู่อย่างไม่ปราศสติฉะนั้นการมีสติเนี่ย กุศลจะเกิดได้ตลอดเวลาไหมนั่นแหละพระธรรมของพระบรมศ า, ศาสดานั้นเนี่ยสรุปประเด็นก็คือว่าประชุมลงในความว่าอย่าเล่นเล้ออย่าประมาทอย่าปล่อยจิตไปตามกามาคุณอารมณ์อย่าปล่อยจิตไปในทุติจติดทั้งหลายมีกายยทุติจติดวัจีทุติจติดมโนทุจริดเป็นต้นแล้วก็จงกระทำให้มากนะจงกระทำให้มากซึ่งกุศลละธรรมทั้งหลาย เนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือความไม่ประมาทความไม่มัวเมาในการทําบุญมีทานกุศลศีลกุศลและก็ภาวนากุศลลักษณะอย่างนี้จะได้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไหมไม่ตายคือทางแห่งพันธิภัณฑเนี่ยถ้ายังประมาทอยู่จะตายอยู่เลยไหมเนี่ยตายอยู่เรื่อยตายเยอะไหมจะเข้าถึงความตายบ่อยๆเนี่ยเพราะโทษของความประมาทนี่แหละในตอนเนี้ย เราประมาทหรือไม่ประมาทอรอย่างนี้จะตายอีกเยอะไหมนี่เขาเรียกประมาทถ้าเราไม่เราเราทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเมื่อไหร่เราจะพ้นจากการตายแล้วก็จะต้องเราก็ไม่ต้องตายอีกแล้วความตายเป็นความเจ็บปวดเนาะเป็นความทรมานด้วยตรงนี้ก็คือว่า ความไม่ประมาทเป็นทางเห็นความตายผู้ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายคนประมาทเหมือนคนตายแล้วคนประมาทก็คือเป็นคนที่ตายแล้วตายยังมีชีวิตอยู่คือชื่อว่าตายหรือยังตายต้องเข้าสูงเข้าสู่การตายบ่อยๆไมฉั้นต่อไปเราจะไม่ไม่เป็นคนไ ม, ไม่ไม่ประมาทอีกต่อไปแล้ว เนี่ไม่ประมาทอีกต่อไปที่ผ่านมาประมาทเยอะไหมเวลาใดบาปเกิดขึ้นเวลานั้นชื่อว่าประมาทเวลาใดปล่อยจิตไปตามตามาคุณอารมณ์เวลานั้นก็ชื่อว่าประมาทหมดเลยนะเวลาใดไม่เพียรพยายามกระทาให้ติดต่อซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่าประมาทก็เชื่อประมาทเวลาใดเผลอสติแล้วงกง่วงเวลานั้นก็ชื่อว่าประมาท <c oughs> เข้าสู่ความตายบ่อยๆเลยใช่ไหม เอาเวลาใดตื่นไม่ตรงเวลาเวลานั้นก็เรียกว่าเลยประมาทปรนะมานอกจากทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีผู้มีความเพ่งมีความเพียรพยายามติดต่อมีความเพียรพยายามอยู่เป็นนิดเพียรในที่นั้นคือเพียรในการเดินกุศลเดินขนาดไหนจึงจะเรียกว่าเพียรเนะ่ะทุกชทุกชาหน้าที่เกิดขึ้นเนะี่ยให้เป็นกุศลให้ติดต่อแค่นั้นพอแล้ว นี่พอวิถีจิตขึ้นสู่ชาวนะเมื่อไหร่ก็ให้เป็นกุศลนั่นเลาเรียกเพียนยกเว้นลงพวังถ้ายกขึ้นสู่ชาวนาเมื่อไหร่ให้เป็นไปกับกุศลนั่นแหละเขาเรียกเพียนแล้วเอาเวลาไหนที่ไม่ควรเพียนก็เวลาหลับเท่านั้นเองน่นอกนั้นก็เพียนแต่ถ้าหากว่าชาวนะขึ้นสู่นะวิถีจิตที่เป็นชาวนาเกิดขึ้นมาปุ๊บ เป็นอกุศลเกิดอย่างต่อเนื่องเขาไม่เรียกว่าเพียนเป็นเพียนผิดไปแล้วเพียนผิดไปแล้วนันใครถ้าสามารถเด น, น๋ยวนี้ใครสามารถเดินกุศลให้เป็นชาวนาที่เป็นกุศลต่อติดต่อได้อ่ะครบเจ็ดวันบรรลได้ทำได้ไหมไม่ให้บาปแทรกเลยนะเจ็ดวันต่อกันเลยนะยุกก่กายบรลุ น่าสนใจไหมไม่น่ายากเลยใช่ไหมแต่ทํากุศลอะไรอะไรเนี่ยทาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เดินติดต่อเลยเนะยพึ้นโชว์หน้าก็มนสิกาให้เกิดตดขึ้นก็ต่อไปแล้วก็เริ่มเห็นมุมของการบําเพ็ญความเพียนแล้วใช่ไหมก็คือการเดินกุศลทุกชว์หน้านั่นเองเดินกุศลทุกโชนะไม่น่ายากแลยแต่เนี่ย น, นการพอกพูนการเดินให้ติดกอดติดูเหมือนไม่ยากกันเลจะไปทํายิงไหมเพราะหยุดพูดแล้วปุ๊บทำไมไปทําก็จริงให้เดินก็เอ๊ะบาปก็เกิดนั่งก็บาปก็เกิดใช่ไหมคนเราชํานาญบาสนะเงยอย่าแปลกว่าทําไมเราว้นทุกข์ไม่ได้เพราะบาปมันลุงรังและเงินมันได้จังหวะทุกมุมเลยใช่ไหมเนี่ยความที่สัตว์ทินรีไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย วั้แตัตว์ทินซีแข็งแรงกุศลจะเกิดสะดวกมากเลยเพราะมองไปนาะที่ไหนก็เห็นคุณของพระาสดาใช่ไหมล่าอายชั่วกัวบาปเต็มไปหมดเลยทียนี้ความพยายามติดต่อมีความเพียรเป็นนิดย่อมถูกต้องพระนิพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าแล้วนี่เขาเรียกได้ประโยชน์แล้วต้องเพียรพยายามให้ติดต่อถูกต้องนิพานแน่นอน ตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสภาิในผานเลยเพราะเพียรยังไม่พอที่ริงความเพียรเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหเดินมากยืนมากนอนมากอย่างเดียวนะเดินมากแต่บาปเกิดอันนั้นเรียกว่าเพียรไหมกินมากบาปเกิดกินน้อยบาปเกิดไม่เรียกว่าเพียรทั้งหมดเลยถ้าเข้าใจคำสอนของพระศาสดาเนี่ยโอ้เพียรในการทํากุศลให้ติดต่อเพียรในการทํากุศลให้ติดต่อนั่นแหละ เขาเรียกว่าเพียรแล้วแล้วจะทํายังไงจะทําให้กุศลให้ติดต่อได้ถ้าเรามีศรัทธาในพระตัณหาใจศรัทธาในพระศาสดาอย่างมากมากจริงๆก้าวไม่ที่จะให้บาปแทรกในใจมีแค่นี้ก็เริ่มจะไปได้แล้วเห็นไหมฉะั้นคนเดินพุทธคุณพ้นทุกได้ไหมเห็นไมพระพุทธเจ้าบอกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วเนี่ย ย่อมไปเป็นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์นะคือพุทธคุณเป็นต้นนะเออถ้าเราดูอย่างสติปัฏฐานนะเพื่อก้าวล่วงโสโกาปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมานัทใช่ไหมเป็นต้นอะไรเนี่ยเพื่อบรรลุมันจะมีอะไรอย่างเดียวเอกายนอยังพิคเวมัคโค ตัตตานังวิสุทธิยาเนี่ทางสายนี้เป็นทางสายเอกทางสายเดียวเนี่ยที่จะเปลยนเป็นเป็นทางเชื่อมต่อไปถึงพระนิพพานเนี่ยวันทางเดียวที่จะดําเนินไปสู่พระนิพพานเขาเรียกเอกายโนยอย่างพิเวมาก็ดูก่อนพิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองแพ่งเป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่เป็นปฏนอิเบธาเป็นข้อปฏิบัติที่ดําเนินไปสู่พระนิพพานเพราะว่า สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของศัตว์ทั้งหลายอาบน้ําสะอาดเชื่อเชื่อหมดจดไหมไม่เรียกว่าหมดจดไม่เช่ว่าสะอาดนะสะอาดในที่นั้นคือสะอาดจากกิเลสคือราคาโทสายโมหะเป็นต้นนั้นเพื่อความบริสุทธิ์หมดเจลดของศัตว์ทั้งหลายแล้วก็สัตตานังวิสุทธิยาโสกาปริเดวนังสมติกมายะใช่ไหม เพื่อก้าวล่วงโสกะและกริเทวะทุกขโทมานาสสานังอัทัังคมายะเพื่อดับศูนย์ไปแห่งทุกขะโทมานัสยาญสะอธิกรมายะเพื่อบรุยายาธรรมคือบรุอริยมรนิพพานา ส, าสาัชชิกิริยายะเพื่อกระทําพระนิพพานาให้แจ้งเจ็ดอย่างเนี้เขาบอกว่าดูก่อนพิจษุทั้งหลาย ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมได้อา น, นิสงส์เจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี้คืออะไรคือพุทธานุสติพุทธานุสติเนี่ยเมื่อเดินแล้วดําเนินไปแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหมดจดจากกิเลสทั้งหลายย่อมก้าวล่วงโศกาและปริเทวะย่อมดับเสียได้ซึ่งทุกข์และโทมนันะเพื่อบรรลุอริยมรรคแล้วก็เพื่อกระทําพระนิพพานให้แจ้ง ทำอย่างหนึ่งก็คือพุทธานุสตินี่เป็นสติปัฏฐานไหมเนี่ยไปดูในเอกายะนะมาร์ไปไปดูในเอกายะเอเกเอกายนิบาตแล้วตอบน้ํานองแบบเนี้ยอาจจะได้เห็นว่าโอ้การเจริญพุทธานุสติเนี่ยเป็นสติปัฏฐานพ้นทุกข์ได้เี้เป็นต้นแต่ก่อนเราโอ้ไม่มีสังฆพุทธานุสติไง ีก็เลยตั้งชมรมพุทธคุณขึ้นมาเราก็ <c oughs> จะได้เจอพุทธคุณได้ดีนะก็ดีดีนี่ก็ให้ให้มองเห็นคำสอนของพระศ า, าสดานะว่าออนมีหมดเวลาแล้วตรงนี้ก็คือจะได้เข้าใจคำสอนของพระพูทมีพระภคเจ้ า, า ว, ว่าที่พรทบเรามานี่ ที่พยายามสรุปประเด็นตรงนี้ให้ฟังก็คือว่าบางคราวพระศ า, าสดาอีาะาทะตถาคโตโลเกตันูพระตะถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกใช่ไหมถ้าทำที่พระองค์ทรงสแสดงนเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์แต่เวลาคิดถึงคุณของผู้เจ้าไม่พ้นทุกข์เนี่ยแปลกไหมไปเข้าใจแบบนี้นแท้จริง่าคิดถึงผู้ได้เจ้าเองแม้คิดถึงคุณของพระศ า, าสดา ก็คือออกจากทุกนั่นเองเข้าใจอย่างเดียวนีฉะนั้นคนจเจริญพรทุคุณจริงเป็นปัจจัยในการพ้นจากวัฏจทุกข์คนไม่เห็นคุณของพระศาสดาค้นทุกไม่ได้คนจเจริญพุทธานุสติไม่เป็นนีจ่จะพ้นทุกได้ไหมได้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ไงเพราะไม่เคยเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเลยลจะพ้นทุกยังไงอ่ะสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวจะไปบินเถอะปา้า nên từ đây cài vào nắm bắt